สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ่บานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู ต, ตอนที่หนึ่งร้อยี่สิบสามนะครับหนึ่งสองสามหัวข้อการถืออดขั้นที่ห้าเพื่อนครับผมอยากกระตุ้นให้พี่น้องได้เห็นความสําคัญของการถืออดครับผมอยากกระตุ้นโดยให้พวกเราได้มีโอกาสอยู่นิ่งๆอธิษฐานถามพระเจ้าว่าพระองค์ต้องการให้เราทําอะไรนะครับ ในส่วนของการถืออดผมเชื่อว่านั่นจะเป็นประพรฝ่ายวิญญาณร่างกายและความคิดรวมทั้งทุกๆด้านมิติมิติทุกด้านในชีวิตของพวกเรามีคนมากมายครับพบว่าภาระหนักบรรเทาลงด้วยการอธิการถืออดอาหารนะครับเราจะพบตัวอย่างเรื่องนี้ในพระธรรมอิสยานะครับอิสยาห์บทที่ห8สิบแปดเนี่ยพูดชัดเจนครับหลายายครั้ง คนมากมายได้รับสติปัญญาหลังจากการถือโถดหลายครั้งการฟื้นฟูเกิดขึ้นในชีวิตและในกจิจจรในแผ่นดินของชนชาติอิสราเอลหลังจากการถือบถดพระเจ้าป้องกันภัยอันตรายเกิดจากการถือโถดผู้เจ็บป่วยได้รับการรักษาให้ห า, หายหลังจากการถือบถดการเริ่มต้นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ตามมา หลังจากการถืออดครับ่องกับสิ่งต่างๆที่ผมได้ยกตัวอย่างขึ้นมาตั้งแต่สุขภาพร่างกายนะครับส่วนตัวของเราตั้งแต่ภาระหนักฝ่ายจิตใจจิตปัญญาก็บรรเทาลง <uen> อยากจะมีสติปัญญาถืออดก็มีสติปัญญาอยากจะรับการฟื้นฟูทา ง, งด้านจิตปัญญาก็ถืออดอยากจะรับการป้องกันภัยตรายจากพระเจ้าก็ถืออด อยากจะเริ่มต้นทำบังทึกรับใช้พระเจ้าก็ถืออดอยากจะตัดสินใจอยู่ในพระไถยอยู่ในน้ำพระไทยพระประสงค์ของพระเจ้าก็ถืออดพี่น้องครับการถืออดนั้นทําให้เราได้รับประทรจากพระเจ้าผมเชื่อว่านั่นเป็นน้ำพระไทยและความปรารถนาที่เราจะถืออดเพื่อที่เราจะแสวงหาพระองค์แต่เมื่อเราแสวงหาพระองค์เราจะพบพระองค์ได้ครับพระเย่สูตรตรัสว่าจงหาแล้วจะพบ กับจงเคราะร์ไม่เปิดพี่นอนกับเราอธิษฐานหลายหลาครั้งทีเดียวอธิษฐานแล้วยังไม่ได้คําตอบเราต้องถืออดครับเพื่อที่เราจะอธิษฐานถืออดรอคอยคําตอบจากพระเจ้าวันนี้เราจะดูกันนะครับว่าคําสอนของพระกัมพีเกี่ยวข้องกับการถืออดนั้นพระกัมพีสอนยังไงครับปัจจุบันนี้เกิดความสับสนมากมายเรื่องของการถืออดบางคนก็ถืออดเพื่อที่จะลดอําหนัก บางคนก็บอกว่าอดอาหารครับเป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็คือทาดีท็อกซ์นะครับก็คือขับสารพิษออกจากตัวเองบางคนอดอาหารและทาสิ่งแปลกแปลกก็มีการกล่าวยิวมิตกล่าวคำพยายกรณ์ี่น้องครับเราจะต้องระว่าระวังนะครับว่าการถือกดนั้นคำสอนขั้นทีพูดว่าอย่างไรคริสเตียนไม่ค่อยพูดถึงเรื่องการถือบทนะครับแต่พวกแคลนลิรครับหรือพวกที่เป็น เกิดในประวัติศาสตร์ของคริสเตียนเนี่ยเขาที่ถือบทอาหารนะครับพวกเรากรับไม่ค่อยเห็นความสําคัญของการถืออดพวกเราครับละเลยการถืออดอาหารนะครับผลก็คือเราไม่ได้รับพระรที่มาจากการถืออดและการอธิษฐานที่น้องครับเราจะดูนะครับว่าเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าสามารถถืออดอาหารตามธรรมไถยของพระเจ้าได้นะครับผมอยากจะนําพวกเรามาถึงรูปแบบต่างๆ ในการถืออดครับนะรูปแบบต่างๆในการถืออดก็คือมีหลายรูปแบบครับการถืออดแบบคลาสสิกนะครับก็คือการถืออดแบบดั้งเดิมออริจินอลเลยนะครับต้องพีสอนว่าการถืออดแบบปกติเป็นการงดเว้นอาหารแข็งอย่างชิ้นเชิงมีการกล่าวถึงการอดอาหารแบบดั้งเดิมหรือคลาสสิ ก, กว่าห้ามดื่มน้ําครับก็โทษว่าไม่ห้ามการดื่มน้ําแต่ไม่กับประทานอาหารแข็งไม่ต้องใช้ปั่นเคี้ยวครับ เเยซูอดอาหารในถิ่นทุันดานเป็นเวลา40วัน40คืนเราอ่านพบ ว, ว่าระเยซูทรงอดพระกายาหาร40วัน40คืนภายหลังพระองค์ก็ทรงอยากพระกายาหารเพราะะนะไม่ได้เอ่ยว่าพระองค์จะหายครับเป็นไปนไม่ได้ที่ร่างกายจะขาดอาหารนะครับเป็นไปได้ที่ร่างกายขาดอาหาร40วันได้แต่เป็นไปนไม่ได้ที่จะขาดน้ำ40วันนะครับ นักวิชาการทางความคีเชื่อว่าพระเยซูดื่มน้ํำในถินทรกันดังครับแต่พระไม่แตะต้องอาหารแข็งเลยครับนี่คือการอดอาหารแบบดั้งเดิมนะครับแต่การอดอาหารแบบสมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นประเภทที่สองนะครับเป็นแบบรูปแบบของการอดอาหารรูปแบบการอดอาหารแบบสมบูรณ์ก็คือไม่กินอาหารไม่กินน้ําเลยครับนี่เป็นการอดอาหารที่รุนแรงอันตารายเราไม่ควรถืออดอาหารแบบสมบูรณ์เกินกว่าหนึ่งวันครับ ถ้าเรามีปัญหาสุขภาพเราควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะอดอาหารแบบนี้นะครับคือไม่ดื่มน้ำดื่มอาหารไม่ไม่ดื่มน้ำและไม่กินอาหารเลยนะครับประเภทที่สามครับก็คือการอดอาหารแบบไม่สมบูรณ์มีการประยุกต์ใช้การถืออดอาหารแบบไม่สมบูรณ์หลายรูปแบบครับก็คือบางคนก็อดแป้งบางคนก็อดเนื้อนะครับหรือบางคนก็อดอาหารบางอย่างนะครับและความขีดของการรับประทานอาหาร บางคนก็อดมื idée, elle, ้อเช้าบางคนก็อดมื้อเย็นบางคนก็อดมื้อเที่ยงการถืออดอาหารแบบไม่สมบูรณ์ก็คือการงดเว้นอาหารบางประเภทบางเวลานะครับบางอย่างนักวิชาการหรือผู้รู้บางคนบอกว่าการกระทําของยาเนียวถือเป็นการอดอาหารแบบไม่สมบูรณ์ดาเนียวและเพื่อนของเขานะครับได้รับการเชื้อเชิญให้รับประทานจากโต๊ะอาหารของกษัตริย์บาบิโลนนะครับแต่พวกเขาปฏิเสธเพราะพวกเขาตั้งใจ อย่างแน่วแน่ไม่ต้องการให้สร้างการพังเี่เกิดบนทินเพราะการรับประทานอาหารที่เป็นบนทินเข้ามาขอให้มีการทดลองสิบวันใช่ไหมครับพี่น้องคงจําได้แดเนียลและเพื่อนของเขาตอนลอดเวลานั้นแดเนียลและอิสวยและและทั่วเพื่อนของเขาที่เป็นคนอิสวาเนั้นดื่มเพียงแต่น้ําและรับประทานถั่บพวกเขางดเว้นอาหารเนื้อและเหล้าบนโต๊ะของกษัตริย์โดยทั่วไปแล้วอาหารเนื้อและเหล้าต่างๆเหล่ า, า, านี้นะครับจะต้องถูกนํา ไปถวายพระของเขาก่อนก่อนที่จะนํามาให้กษัตริย์กินพี่น้องครับในปัจจุบันเวลาเราถืออดอาหารนะครับหลายหลาคนก็ถืออดอาหารแบบนี้ครับถือแบบไม่สมบูรณ์ก็คืองดเว้นจากการกินอาหารบางอย่างครับจอห์นเวสเลนนั้นรับประทานตีนขนมปังเมื่อถืออดครับพระเจ้าจะนําบางคนให้งดเว้นอาหารบางอย่างเพื่อทดสอบความจริงใจของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้นั้นกําลังสแสวงหาคําตอบอย่างเฉพาะเจาะจงโดยการอธิษฐานนะครับก็คือการอดอาหารพี่น้องครับผมอยากจะทบทวนะครับการอดอาหารแบบคลาสสิกเลยครับก็คืองดเว้นอาหารแก็งกินแต่น้ำนะครับกินแหน่น้ําผัดพระเยซูนะครับการอดอาหารแบบสมบูรณ์ครับก็คือการไม่แตะทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มเลยนะครับอันตรายครับต้องระวังต้องหาหมอก่อนปรึกษาแพทย์ และไม่ควรอดอาหารแบบนี้เกินหนึ่งวันครับผมย้า น, นะครับเกินหนึ่งวันนะครับประเภทที่สามก็คือการอดอาหารแบบไม่สมบูรณ์ครับการอดอาหารแบบไม่สมบูรณ์ก็คือบางเวลาบางมื้อครับอาหารบางอย่างพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าการอดอาหารนั้นก็มีรูปแบบหลากหลายครับเราสามารถที่จะเลือกการอดอาหารได้นะครับสิ่งสำคัญประการที่สองก็คือว่า การอดอาหารที่ไม่สมบูรณ์ที่เราเรียนรู้มานะครับการถืออดบางอย่างนะครับการอดบางเวลานะครับหรือบางคนบางแบบนั้นก็อดนะครับหลังจากที่ดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับอดนะครับรอให้ดวงอาทิตย์ตกแล้วจึงค่อยรับประทานอาหารครับการถืออดแบบเนี้ก็เรียกว่าเป็นการถืออดแบบไม่สมบูรณ์นะครับการถืออดในทั้งทีเดิมเริ่มต้นเมื่อดวงอาทิตย์ตกนะครับ และยืดยาวออกไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นนะครับแต่เมื่อมีการอดอาหารแบบไม่สมบูรณ์ผู้ถืออดจะงดเว้นอาหารเฉพาะในช่วงที่ดวงอาทิตย์ยังขึ้นอยู่เท่านั้นครับประเด็นที่สามครับความสําคัญประเด็นที่สามในการถืออดนะครับจะรวมถึงการงดเว้นมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา อาจารย์บาโอลนั้นท่านสอนสามีปัญญาว่าอย่าปฏิเสธการอยู่ร่วมกันเว้นไว้แต่ได้จบลงกันเป็นการชั่วคราวเพื่ออุทิศตัวในการอธิษฐานเพื่ออุทิศตัวในการอธิษฐานนะครับตรงนี้ก็รวมทั้งการถืออดไปด้วยหนึ่งโครินมที่เจ็ดข้อที่ห้าครับบางคนนั้นงดจากความสุขส่วนตัวในการกินนะครับก็ถือว่าเป็นการถืออดครับบางคนอดนะครับที่จะไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับคู่สมรส ก็เป็นการถืออดนะครับอีกอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นการถืออดอาหารนะครับแต่เป็นการอดระเบิดความสุขที่จะได้รับจากการแต่งงานอย่างนั้นตามครับอาจารย์บาโอลสนับสนุนว่าเมื่อขึ้นสุดการถืออดสามีปัญญาต้องมาอยู่ร่วมกันอีกเพื่อไม่ให้ซาตานชักจูงให้ทําผิดเพราะตัวอดไม่ได้นี่นครับคือสิ่งที่ท่านอาจารย์บารโอลได้พยายามย้ายําเน้นว่าการถืออดอีกแบบหนึ่งก็คือการถืออดที่จะ งดเว้นนะครับไม่ลดเว้นจากความสุขที่ได้รับจากการแต่งงานนะครับหลังจากเลิกถืออดแล้วนะครับเขาก็ต้องมาอยู่ด้วยกันอีกเพื่อที่จะไม่ให้ชาตารชักจูงทําให้ลงผิดไปเพียงครับนี่คือลักษณะของการถืออดและประเด็นที่สําคัญต่า ง, างๆขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับและผมอยากจะเชิญชวนท้าทายนะครับว่าเราได้จะมาถืออดด้วยกัน เพื่อที่เราจะได้มีโอกาสพบกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเป็น i l เ g e ของเราคนระับเป็นสิทธิพิเศษของเราในฐานนรูปของพระเจ้าที่จะถืออดเพื่อที่จะพบกับพระเจ้าอาเมน